ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัทเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราตนาบารมีกำลังสมเด็จองค์มาถ ม, ถ, มถึงองค์ปัจจุบันพระองค์มหาจักรพัททุกทุะองค์ บารมีรวมพระปัจเจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูพมมะพัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิกศกบเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมะสังฆะก็ ต, ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูขหลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม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 ธรรมชีวิตธรรมแมปูเจมิธรรมมังชีวิตธรรมแมู่เจมิสังขังชีวิตธรรมแมู่เจมิพุทธธรรวันทามิธรรมมังวันธามิสังขังวันทามิ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 นาโมตัสสะพากาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพากาวะโตอะราหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจามิ หามังสารังฆาจามิสังฆางสารังามิทูตยาปทังสารังฆาจามิทูติยามปีธมังสาังฆาจามิ ผู้ทียัมปีสังขังสารังกจามีชาติย่ำปีอดทางสาร ปาริยเวรามนีสิกขาปัตังสัมมาทิยมิมุสาวาทาเวรามนีสิกขาปัังสัมมาทิยมิสุราเมรยาตชะอมาตทานา เวรามีสิกขาปะทานสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิธียามิอิมานิัญจสิกขาปะทานิสมาธิามิอิมานิัญจสิกขาปะทานิ สีเรนะสุขสิ่ยันติสีเรนะโพกสัมปทาสีเรนะเนปุสิ่งยันติทัสมาวิโสทะนะโมตัสสะปะคะวะโตอาหะสมาสัมปุตตะสะ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 อามังกรตานังกรุณนังการุณีนามโหสิสัจโตอาการติมายะอิธิปควานามโหติสัโอาการทิมายะอิธิปควา นาโมพทธิสัตตุอาคันติมายะนาโมพุทธิสัตตุโภมะัญโยนาโมพุทธิสัตตุโภมะัญโยนาโมพทธิสัตตุโภมัญโยเยโโตโสหะหิเต นาพุทัสสเมงปาปะกตะมายากมะทมเนกาตังโทสังสัพพะปังสรรตุเยโอโทสโมหิตเตนาธรรมสังมิ p ปาปะโตมายากมาตมเน กัตโทสังสัพพภาปังวินาสันตุโยโถโสโอหิตเตนะสังฆะเจงิปะปะโตมายาภามะทมิกัโทสังสัพพภาปังวินาสันตุ นาโมทัสสะพะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตทัสสะนาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายันมานีนอบรัตีสาหสาสุธรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยาชาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา หากีทานำวรังคันธังสีวาริตมหาเถรังหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทัดโยหังวันทามิสัพพโสพุตาธรรมะสังฆบูเจมินะโมกุฏายา นระพุทธไทยลักษณ์าณมณีนพรัตศีสหัสสุธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทางวารังคันธังสีวริจมหาเถรัง อาหังว ah ah ah ันทาณิตุระโตอาหังวันทาณิอาติโยอาหังวันทาณิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปชนินาโมพุทธายะราพุทธะไตรลัณญาณมณีนพรัตสีสาหาชาสุตม่า พุตโตธัมโมสังโฆยะถาอุตโมนะอูททะูชาธัมมะูชาสังฆะูชาภิทานังวะรังปันทังสีวลีกรรมาเารังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิอาติโย อาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาูุเสนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนัยานมานีนภารัตสีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุกโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิทาหนังวะรังตังชังศีวริจามหาเถรังอาหังว ah ันทามิธ ah ุระโตอาหังว ah ันทาณิอาติโยอาหังวันทาณิสัพพโสพุทธธรรมสังฆูเชนิ นาโมพุทายะพระพุทธไตรยตนะยามานินุรัชต์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธาูชาธรรมะมุชาสังฆามุชาทิธางวรังคันทัง สีวะริจมาหาเถระอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโสพทธะธมะสังฆปุเจนินาโโคทายะราโคทาไตรัยางาญีนกรัต สีสาหาสาสุธรรมะภุดโทธรรมโมสังโฆยะถาพุดโมนะภุทถาภุชาธรมะภชาสังฆะภชาหานังวะังคันธังสีวรีธรรมาเถรังอาหังวันทาณิตุรโตอาหังวันทาณิทาตุโย อาหังวันภามีสัพปะโสโหตะธรรมะสังฆะอูเทนีอ้าวแพปลกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและโมย่าทั้งหลายผู้มีกุคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวน สัพเพพูทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาลัพตาปเจกานันจะยังพรังอาลหันตานานจะเอเจนารักขันอาปะโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา ฮาลปัตตาปัจเจกานันจายังพลังฮาลหันตานาจเตเจนาลักข Al ah an ังสัเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาฮาลปัตตาปเจกานันจายังพลัง หัมทนันทะเตเทนารักขังปันธานิสัพพโสสาเปพุธาสาเพธรรมาสาเพสังฆาปตาปเทคานันเะยังพลังหัลหัมทนันทะเทเทนารักขังปันทานิสัพพโส สัพเพพุทธะสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาตาปเจกานันเจยังพลังอาลานกานันจะเทเจหารักฐังปันทามิสัพเพพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ อ, อธิษฐานถ้าในธิฐานรวมกำลังจั ก, กระพัดที่เราสวดทุกวันเวลาสับเทให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระท่วนาพระเมนพระที่ทรงเครื่อง ม, มันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กรพัดหรือพะระอรหัน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 พทผุทาสเพธรรมาสเพสังกาภาระปัตจาระเจกานันจะยังวะรังภาระหันจานันจะเตเจนาระขังพันตามีสัพปะโส สัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัเพสังฆะอระปตะเจกาลัญญายางาังอารหันตานันจเอเจนรักขังปันธามิสัพะโส สัตตถัมัสสัตสังขะภาระปัจจารเจกานันเจยังวรังอาระหันตานันจเตเจนะรักขังมิสัาโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิ สาคั้งอธิษฐานิี้เสร็จแล้ววันวันหนึ่งเนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำและความคิด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 โดยขอกำลังรวมหลวงพ่อดูครับพมมกัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบา ร, รมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ทางศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศบารมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์ สัเพสเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภาระปัตตาปเจกาณจะยังภะรงอราหันตานานจาเตเจนารักขังมิสัพปะโส สัพเปโพธาสัพเปธัมมาสัพเปสังขาราปัตตาปัเจกานันเจยังภารังอาราหันธานานัจเจเจนารักขังปันธานิสัพพโส สัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัพเพสังขะอาราปตาปัเจกานันจะยังภารังอาระหันตานันจะเตเจนารักขังอามิอภสปโส สัพเพกุตสัพเทธรรมาสัพเพสังขาราปปัจจาราเจคานจิยังวาราอาระอันตานันจะราเจนารักขงนีสัพพโส สัเพพุทธะสัพเพธรรมาสัเพสังฆะทาราปัจจาราเจตานันเจยังวังหาทานานชาเอเทสนารถนิสัพะโสพุทธังอธิขามิ คมมางอธิษฐานมิสามคงอธิษฐานมิ